ตอนที่สาสิบแปดจดหมายเอียดประตูตำหนักที่ปิดสนิทถูกผลักเปิดออกชูหลิงก้าวเท้าเข้าไปกลิ่นอับสายหนึ่งก็พุ่งเข้าประทัดจมูกทันทีทําให้เขาต้องของมวดคิ้วที่นี่ไม่มีใครย่างกรายเข้ามาหลายปีแล้วฝุ่นนาเตะปบกคลุมไปทั่วอยากย่เกาะเกี่ยวระยงระยางหลี่จงและคณะที่เดินตามเข้ามาในตำหนักต่างก็พากันตกใจจนขวัญห น, นีดีฝ่อสารบรรพชนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามพระราชองคการของจักรพรรดิเทจูเ ก, กาใครจะไปคาดคิดว่ามันจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ แม้ว่าจักรพรรดิเวินเทยจงและจักรพรรดิเสวียนจงชุนจะไม่เคยเสด็จมาที่นี่แต่ในฐานะสารบรญภชนของราชวงศ์ต้าอวีก็ไม่ควรจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้มิใช่หรือสถานที่แห่งนี้ประดิษฐานดวงวิญญาณของเหล่าบรรพบุรุษตระกูลฉูเชี่ยวนะเหอะคนจากไปชาก็ยินชื่อจริงๆไม่ว่าตอนมีชีวิตจะยิ่งใหญ่เพียงใดชูหลิงที่เดินเข้ามาในตำหนักเมื่อกว่าสายตามองทุกอย่างสีหน้าของเขายังคงเรียบเฉยทว่าในใจกลับเกิดความรู้สึกเวทนา จั ก, กรพรรดิที่จูเก่าผู้นั้นองอาจกล้าหาญเพียงใดตลอดชีวิตสังหารคนมานับไม่ถ้วนแต่แล้วอย่างไรเล่าสวรรคตไปไม่ถึงสิบปีสภาพก็เป็นเช่นนี้เสียแล้วชูหลิงหยุดฝีเท้าลงท่ามกลางความกระวนกระวายใจของหลี่จงและคนอื่นๆเขามองไปรอบๆอย่างช้าๆในขณะนั้นพายในตําหนักเงียบสงบเสียจนแทบจะได้ยินเสียงเข็มตกพื้นออกไปให้หมดไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดชูหลิงถอดเสื้อคลุมออกแล้วกล่าวอย่างราบเรียบว่า สารบันพชนแห่งนี้ในเมื่อไม่มีใครคอยปัดกวาดดูแลเช่นนั้นเจิ้นจะทําความสะอาดเองน้ําเสียงของชูหลิงไม่ดังนักแต่กลับทําให้ทุกคนในที่นั้นใจสั่นสะท้านบ่าวสมควรตายหลี่จงและคนอื่นๆคุกเข่าลงกับพื้นแม้เรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรงแต่การที่โอรสสวรรค์เช่นชนี้หากเรื่องแรงพร่งแปรออกไปใครจะรู้ว่าจะเกิดพายุลมแรงเพียงใดตามมาออกไปชูหลิงกล่าวเสียงเย็นไปหาถังไม้กับผ้าขี้ริ้วมาให้เจิน้น ฟ้าบาทฟาบาทเสียงร้องเรียกดังขึ้นหลายสายภายในตำหนักแต่ชูหลิงหาได้สนใจไม่ขาหมุนตัวเดินลึกเข้าไปได้ในตำหนักแทนทิ้งให้หลี่จงและคนอื่นๆยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกพวกเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนแต่ทุกคนต่างก็เข้าใจดีว่าในสวนหลวงแห่งนี้คงจะมีบางคนต้องหายสาบสูญไปเสียแล้ว ชูหลิงเดินมาหยุดอยู่หน้าป้ายวิญญาณเขามองดูป้ายวิญญาณที่เต็มไปด้วยฝุ่นและอยากยี่พอจะมองเห็นตัวอักษรลางๆป้ายวิญญาณเหล่านี้ประดิษฐานดวงวิญญาณของบรรพบุรุษให้จู๋ไม่สิควรจะบอกว่าเป็นบรรพบุรุษของบรรุ์แท่ชูนามว่าชูหยวนทั้งบิดาปู่และทวด บุรุษแซ่ฉูผู้นี้เองที่เป็นผู้สถาปนาแผ่นดินตระกูลชูทําให้ราชวงศ์ตาอาวีกลายเป็นมหาอาณาจักรที่เกรงไกลไปทั่วล่าและบุรุษแซ่ฉูผู้นี้ในรัชสมัยก่อนเคยเป็นเพียงบุตรหลานตระกูลขุนนางที่ตกอับแม้จะมีความรู้แต่กลับเลือกละทิ้งผู้กันไปถืออาวุธแน่นอนว่านั่นเป็นเพียงคํายกยอความจริงก็คือบุรุษแซ่ฉูผู้นี้ไม่สามารถก้าวหน้าในเส้นทางขุนนางได้เพื่อเลี้ยงปากท้องเขาจึงจําต้องเลือกเข้ากองทัพ เพลงว่าเหล่าบรรพบุรุษบนป้ายวิญญาณเหล่านี้ตอนที่มีชีวิตอยู่คงไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าในสายเลือดตระกูลฉู่ของพวกเขาจะมีจักรพรรดิอุบัติขึ้นมาจริงๆชูหลิงก้าวไปข้างหน้าประคองป้ายวิญญาณที่เองกระเทยให้ตั้งตรงการที่เขาตัดสินใจทําความสะอาดสารบรรพชนแห่งนี้เขามีแผนการในใจเขาไม่อยากกลับไปยังตำหนักต้าซิงที่ทําให้เขารู้สึกรําคาญใจอีกอย่างเขาอยากจะดูว่าหากซานโหรู้เรื่องนี้เขาแตละนางจะมีความคิดอย่างไรและจะมีการกระทําเช่นไรออกมา ความคิดนั้นชูหลิงไม่อาจคาดเดาได้แต่การกระทําชูหลิงย่อมมองเห็นได้ชัดเจนฟาบาดสิ่งที่ทรงต้องการได้มาแล้วพยาคะ่ะเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งจิบชาเสียงของหลี่จงก็ดังขึ้นชูหลิงได้ยินดังนั้นจึงหมุนตัวเดินออกมาเห็นหลี่จงและคณะเตรียมตัวพร้อมสับเพื่อจะช่วยเขาทําความสะอาดทว่าชูหลิงกลับกล่าวว่าพวกเจ้าถอยไปให้หมดฟาบาท สีหน้าของหลีจงและคณะเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีส่วนว่านชิวเอ๋อที่ยืนอยู่ข้างๆตลอดเวลาก็แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมานางเองก็ไม่คิดว่าจาักรพรรดิพระองค์ใหม่จะทรงทำเช่นนี้คำพูดของเจิ้นช้ยไม่ได้ผลแล้วหรือชูหลิงไม่ขยับเขยื้อนเขามองไปยังกลุ่มคนตรงหน้าแล้วตรัสถามบ่าวไม่กล้าพยาักาเพคะ หลี่จงและคนอื่นๆรีบตอบทันควันหลังจากลังเลอยู่นานแต่ละคนก็ถอยออกจากตำหนักไปได้วยความกระวนกระวายใจส่วนว่านชิวเอ๋อเดิมทีนางไม่ได้ตั้งใจจะจากไปแต่เมื่อเห็นชูหลิงจ้องมองนางขม็งนางจึงเริ่มลังเลปิดประตูตำหนักให้เจินด้วยชูหลิงกล่าวอย่างราบเรียบฝ่อประตูตำหนักไว้ให้ดีเทค่ะว่านชิวเอ๋อครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะก้มสีสารับคำ เมื่อว่านชิวเอ๋อถอยออกจากตําหนักประตูตําหนักก็ค่อยๆปิดลงท่ามกลางเสียงอุทานเบาๆของคนด้านนอกภายในตําหนักจึงเหลือเพียงชูหลิงคนเดียวเริ่มกันเลยชูหลิงยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งสํารวจซ้ายขวาจากนั้นก็ม้วนแขนเสื้อขึ้นหยิบผ้าไหมออกมาจากอกเสือ้อเพื่อปิดปากและจมูกไว้เขาหยิบไม้กวาดขึ้นมาแล้วเริ่มกวาดหยากที่ที่พอมองเห็นเนื่องจากร่างกายยังเล็กอยู่ชูหลิงจึงเอื้อไม่ถึงหยากแย่ในที่สูงเขาต้องไปลากเก้าอี้ไม้มาเมาื่อยืนได้อย่างมั่นคงแล้วเขาก็ขย่่่่งเเเท้าเ้าาาาพือกวดกหแยลนนัน หลังจากกวาดอยากแย่ในที่สูงออกจนหมดชูหลิงก็เริ่มกวาดฝุ่นในที่ต่ำต่อเมื่อคนเราปล่อยวางความคิดและทำสิ่งต่างๆโดยไม่หวังผลใดๆเวลามักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอดวงตะวันลอยสูงเด่นกลุ่มคนที่รออยู่หน้าตำหนักต่างก็ยืนไม่ติดที่ด้วยความกังวลผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วยามแล้วสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือทางฝั่งซานโฮจนถึงตอนนี้กลับยังไม่มีใครส่งคนมาเลยส่วนจักรพรรดิพระองค์ใหม่ยังคงทำความสะอาดสารบรญภชนอยู่ด้านในและยังไม่มีทีท่าว่าจะเรียกพวกเขาเข้าไป ลีจงกระวนกระวายใจในอกเขามองไปยังประตูตำหนักที่ปิดสนิทสลับกับมองว่านชิวเอ๋อเป็นระยะเขาอยากจะเข้าไปช่วยจักรพรรดิทาความสะอาดใจจะขาดแต่เขาก็ไม่กล้าเข้าไปเขาไม่อยากทําให้จักรพรรดิพระองค์ใหม่ทรงขุนเคืองพระเรื่องนี้ส่วนคนอื่นๆต่างก็มีความคิดที่หลากหลายความคิดที่คนส่วนใหญ่มีเหมือนกันก็คือจักรพรรดิพระองค์ใหม่ทรงว่างานเกินไปแล้วต่อให้เห็นว่าสารบดชนสุโสมเพียงใดก็ไม่จําเป็นต้องลงมือทําความสะอาดด้วยพระองค์เองไม่ใช่หรือ แค่สั่งให้คนข้างล่างทําก็สิ้นเรื่องจากระพัดควรจะมีสิ่งที่จากระพัดพึงกระทําสิเพียงแต่สําหรับชูหลิงแล้วเขาจะทำอะไรได้เล่าการออกแรงทําความสะอาดสารแบบชนเช่นนี้ก็นับว่าดีมากแล้วภายในสารแบบชนชูหลิงนั่งลงที่จุดหนึ่งเขามองไปยังช่องลับตรงหน้าด้วยความไม่อยากจะเชื่อเขาบังเอิญไปโดนมุมหนึ่งเข้าแล้วอีกตรงหน้าก็เลื่อนเปิดออกวิชากลไกงั้นหรือ ชูหลิงจ้องมองช่องลับตรงหน้าเห็นกล่องไม้กล่องหนึ่งวางอยู่ข้างในเขาเงี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวภายนอกอย่างระแวดระวังดูเหมือนจะไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆชูหลิงหยุดชะงักไปครู่หนึ่งเขาไม่ได้รีบร้อนหยิบกล่องไม้ออกมาแต่กลับกดลงไปที่มุมเดิมอีกครั้งอีกที่เลื่อนเปิดออกก็ปิดสนิทลงตามเดิมแนบเนียนไปกับผนังตรงหน้าอย่างไร้รอยต่อเสียงที่เกิดขึ้นเบามากคนข้างนอกไม่มีทางได้ยินแน่นอนนั่นคือความคิดแรกของชูหลิง เขามองดูมือที่เปื้อนฝุ่นของตัวเองมุมปากปรากฏรอยยิ้มขื่นออกมาเขาไม่คิดเลยว่าการที่เขามาทำความสะอาดสารบรรพชนเพื่อปล่อยวางความคิดและค่าเวลาจะมาเจอเรื่องแบบนี้เข้าช่าง น, น่าสนใจจริงๆในกล่องไม้จะมีอะไรกันนะชูหลิงนั่งลงบนพื้นจ้องมองผนังที่ปิดสนิทในใจครุ่นคิดอย่างเงียบๆแล้วใครกันที่เป็นคนวางไว้จักรพรรดิจูเกิาหรือหรือจะเป็นช่างฝีมือที่สร้างสารบรรพชนแห่งนี้ ชูหลิงไม่อาจแน่ใจได้หลังจากรออยู่ครู่หนึ่งเขาก็กดลงไปอีกครั้งอิดเลื่อนเปิดออกอีกขนกล่องไม้กล่องนั้นปรากฏสู่สายตาของชูหลิงอีกครั้งชูหลิงไม่ได้ยื่นมือไปหยิบโดยตรงแต่เขากลับหยิบไม้กวาดขึ้นมาแล้วสอดด้าไม้กวาดเข้าไปในช่องลับเมื่อเห็นว่าไม่มีกับดักใดๆเขาจึงถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกจากนั้นจึงค่อยๆลากกล่องไม้ออกมาจะมีอะไรอยู่ข้างในนะ ชูหลิงหยิบกล่องไม้ขึ้นมากล่องใบนี้ประณีตงดงามมากและไม่มีกุญแจล็อกเขาเอื้อมมือไปเปิดออกเห็นจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ข้างในทวาตัวอักษรบนซองจดหมายกลับทำให้ดวงตาของชูหลิงเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยถึงลูกหลานอกตันยูแห่งตระกูลชูปโปรดเปิดอ่านด้วยตนเองไม่ใช่สิมีข้าโดนดา่าตั้งแต่ยังไม่ทันได้อ่านเลยหรือ